ก็กินแล้วบุรีก็ดูดแล้วเป็นจังได้นอนบ่หลับกินข้าวรอยกับพันกับบุรีก็ดูดมับมัืมันก็หลับบ่ได้ขาก็กินแล้บุรีก็ดูดแล้วตายังแป๊วมันบ่หลับให้มอบอกเป็นโรคหัวใจนึกชอบผู้ชายเอาไว้นานทำจังไดก็บ่หลับตาพลับลงว่า ถึงบับเขาก็กินแล้วรีก็ดูดแล้วตายังแป้วบ่เงอะงกงับอ้ยอยออยมันปวดขมับขึ้นหอดแต่พองามสักอื ม, มันบ่หลับสักทีเขาก็กินแล้วรีก็ดูดแล้วเป็นจังไดบ่หลับแล้วนี่ถ้าต้องตรวจน้ําให้ทีแล้วเจอหน้าแฟนสักทีอืคราวนี้ถ้าจะหลับ ถึงบับเขาก็กินแล้วรีกระดูดแล้วตายังแป้าบ่งองกหมกงับโอ้ยอยมันปวดขมับคืดห อ, อดแต่พองานกับมันบ่หลับสักทีเขาก็กิเแล้วรีกระดูดแล้วเป็นจังไดบ่หลับแล้วนี่ถ้าต้องตรวจน้ําให้พีแล้วเจอหน้าแฟนสักทีคร า, าวนี้ถ้าจะหลัก